นุชาบุยปากไปทางหนานอินผู้ซึ่งบัดนี้กำลังเปลี่ยนไรเฟิลของแกกับลูกซองของพวกลูกหาบอยู่เช่นกันหักคอปืนหยิบลูกที่บรรจุออกมาตรวจดูเอาละถ้างั้นก็สบายใจได้แต่ช่วยบอกให้หายกางขายสักนิดสิทำไมแกกนานอินถึงต้องเปลี่ยนไรเฟิลมาเป็นลูกซองด้วยม่น้าซ้า เมื่อกี้นี้ฉันเห็นแกถอดเอาลูกปลายยิงสัตว์ใหญ่ออกหมดใส่ลูกปลายเล็กๆสำหรับยิงสัตว์ปีกไปแทนเะฉียนตั้งปุชามาอีกอย่างคนไม่ประมาทอนุชาหัวเราะในถ้านี่นะรับรองว่าเราจะไม่เจอเสือช้างกวางแรดอะไรทั้งสิน้นถ้าจะเจอก็พวกไม่มีตีนนั้นแหละใหญ่ที่สุดก็แค่ไม่เกินนแค้งเล็กที่สุด ที่เคยพบมาแล้วก็แค่นิ้วก้อยแต่ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนกับตายทั้งนั้นแหละตายช้าตายเร็วก็สุดแล้วแต่ปริมาณของน้ำพิษตามขนาดตัวและชนิดของมันระยะที่พบมักจะห่างไม่เกินสีห้าวาซึ่งระยะเผาขนใกล้ๆแบบนี้ลูกปลายเล็กๆขนาดเบอร์สองจะทำงานได้ดีกว่าลูกปลายเม็ดเขื่อ ง, งเพราะมันยังไม่ทันบานปุมเดียวขาดกระจุยเลย แล้วหลุมปลายเล็กๆ ก, ก็ไม่แฉลับด้วยสองกระบอกก็เหลือพอแล้วสําหรับชั้นกับ น, นานอินที่จะนําหน้าพี่ใหญ่แกหรือก็น้อยไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนปืนด้วยหรอกคอยเดินตามหลังให้ดีแล้วกันอาจพบหรืออาจไม่พบเลยก็ได้เพียงแค่ป้องกันไว้ก่อนเท่านั้นไอความจริงเรื่องพิษงูเนะี่ยเราไม่กลัวเมื่อมีหนานอินมาด้วยเช่นนี้แต่เราไม่อยากให้เสียเวลาถ้าใครโดนตัน น, นี้พร้อมแล้วละ่ะกางนำต่อได้เลยเชิฐาบอกอนุชาสะร้องสั่งความอะไรกับพวกลูกหาบและขยินสักสองสามประโยคแล้วก็บุกมือตัเนงกะนานอินนำเข้าเวิงถ้ำเข้าไปก่อนเชธธิดาชัยันและดารินเดินรวมกลุ่มไปด้วยกันไฟฉายพร้อมอยู่ในมือถัดไปก็เป็นพวกลูกหาบและเจ้านักเลงโตแห่งลมช้างคุมท้ายขบวนตามเคย จากเวิงท้ำกว้างใหญ่ลึกเข้าไปประมาณ15เมตรเท่านั้นก็มองเห็นโพรงดํามืดรอคอยอยู่เบื้องหน้าอากาศอันรั่วอ้าวเบื้องนอกเปลี่ยนมาเป็นความเย็นทันทีและยิ่งเย็นเพิ่มขึ้นตามลำดับเมื่อห่างจากปากทางใหญ่ลึกเข้ามาขนทางเคลื่อนกันไปได้อย่างสะดวกพอประมาณตามที่อนุชาบอกไว้แต่แรก เาจัดว่าเป็นโครงลอดใต้ภูเขาขนาดเคื่องและไม่มีอะไรลี้ลับนักนอกจากเมื่อไกลปากทางเข้าเข้าไปก็เริ่มต้องใช้ไฟฉายส่องสักและแตะเกียงแบตเตอรี่ให้มองเห็นเส้นทางเดินเท่านั้นแม้แต่บริเวณที่สอบแคบมากที่สุดก็ยังสามารถเดินผ่านกันไปได้ในลักษณะเรียงสองการเดินอาจประสบความยุ่งยากบ้างเล็กน้อย ที่บางตอนจะต้องไปนยนไตไปตามหมูโขดหินที่มอกสูงสูงต่ำาๆอยู่ตามพื้นถ้าบ้างเท่านั้นกับคอยระมัดระวังงูพิษซึ่งอนุชากนานอินทำหน้าที่เป็นกองสำรวจเคลียร์ทางล่วงหน้าไปก่อนห่างประมาณสี่ห้าว่านอกจากปืนลูกซองสำหรับยามจำเป็นแล้วก่อนจะผ่านเข้าปากทางมานานอินตัดเรียวไผ่อันขนาดเหมาะมือ ยาวประมาณวาศษเติดมือมาด้วยสำหรับตีงูเล็กๆในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และกรณีที่เกินความจำเป็นที่ถึงกัดจะต้องใช้ปืนลูกซองยิงหน้าที่ของคนเดินตามหลังเพียงแต่คอยระวังไม่ให้ศีรษะของตนเองที่เดินผ่านไปกระทบเข้ากับแง่หินงอกที่โผล่ล้ำออกมาอยู่ทั่วไปเท่านั้นนอกจากสัตว์ประเภทเลื้อยคลานแล้ว ก็อาจจะมีสัตว์สีเท้าขนาดย่อมๆอาศัยเป็นเส้นทางผ่านหรือหลบซ่อนตัวของมันอย่ามเมื่อเกิดภัยเฉพาะหน้าเท่านั้นแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเกินไปกว่าพวกเสือดาวทั้งคณะเดินกันไปตามสบายไม่เร่งร้อนนักและถ้าจะเปรียบเทียบ ก, บกับการเดินผ่านป่าแดงมาแล้วในบรรยากาศที่แสนจะระอุอ้าวการอาศัยเดินลอดไปในถ้าใต้ภูเขานี้ จัดว่าสบายกว่ามากนักและมันก็ไม่เป็นสิ่งใหม่หรือแปลกสำหรับคณะเดินทางที่เคยผ่านเทือกเขาประสิวะมาแล้วชุดนี้ดาริงเงียบขึมซึมเสื่องอยู่เช่นนั้นแต่ก็ตามติดไปกับคณะอย่างทอรหดชนิดไม่ยอมเป็นภาระให้ใครต้องคอยประครับประคองหรือฉุดดึงทั้งสิ้นหล่อนพยายามเรียกประสบการณ์ความชนานาญแต่เก่าก่อนขึ้นมาใช้ และเจ็บใจตัวเองที่หน้ามืดเป็นลมลงในบ่ายวันนี้ขณะเมื่อพยายามจะติดตามพี่ชายกลางให้ทันและบอกกับตัวเองว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกซ้ำสองหล่อนเป็นผู้หญิงคนเดียวในคณะแต่จะไม่ยอมให้ตัวเองอ่อนแอไปกว่าทุกคนอย่างเด็ดขาดขอให้ได้อุ่นเครื่องเรียกความเคยชินเก่าๆ ก, กลับมาให้ได้สักก่อนเถอะหญิงสาวพร่ำบอกกับตัวเองแล้วเมื่อนั้น ถึงไหนถึงกันตายเป็นตายไม่เสียดายแล้วชีวิตนี้ถ้าปราศจากเขาผู้นั้นคิดไปพลางเดินลอดถ้ำไปพลางดาริงซ่อนน้ำตาที่ซึมคลอเบ้าไวมันเป็นความผิดของหล่อนเองความผิดที่มัวชะลาใจปล่อยทิ้งเขาไว้เดียวดายแม้เพียงชั่วระยะเวลาหนึง่งเพราะคาดการไม่ถึงมาก่อน ถารู้ล่วงหน้าณวันที่หล่อนจะออกจากหนองน้ำแห้งวันนั้นหล่อนดึงตัวเขาเข้ากรุงเทพไปเซะด้วยกันมันก็จะไม่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมัวแต่ไวัสักว้สีเอาชั้นเอาเชิงเกินไปมัวแต่เกรงครหาจากพี่ชายสองคนก็เลยต้องทุกข์ยากระทมใจกายอยู่เช่นนี้ชายันเองก็เงียบซึมไปเหมือนกัน เขาคงกำลังคิดถึงเมียและลูกอ่อนที่เพิ่งเกิดเห็นหน้าลูกได้วันเดียวก็ต้องพละทิ้งมาด้วยความรักห่วงใยต่อเพื่อนน้ำมิตรความจริงชัยยันไม่จำเป็นจะต้องมาพลอยลำบากเสี่ยงชีวิตในครั้งนี้เลยแต่เขาผู้นั้นยอมสลักแล้วเช่นกันอย่างคนใจถึงตลอดเส้นทางจึงมีแต่เพียงเชฐิฐาอนุชาและหนานอิน เท่านั้นที่พูดคุยหรือซักถามอะไรกันอยู่เบาๆตลอดเวลาเพราะโอกาสที่เดินจับกลุ่มกันไปใกล้ๆประมาณเกือบชั่วโมงที่งมกันอยู่ในโพรงมืดสนิทอาศัยเพียงไฟฉายของผู้ที่ส่องนำอยู่เบื้องหน้าและพักพวกของคนอื่นๆที่อาศัยส่องดูแนวทางผ่านเป็นระยะระยะไปชั่วแวบว กลุ่มของเชษฐาชัยันและดารินซึ่งเดินกันอยู่ตรงกลางรู้สึกผิดปกติบางอย่างเพราะได้ยินเสียงขยินผู้คุมอยู่หลังขบวนสุดพูดอะไรจอกแจกจอกแจกอยู่กับพวกลูกหาบหางเสียงแสดงความตื่นรนและขบวนลูกหาบทั้งห้าคู่ก็หยุดชะงักจับกลุ่มกันอยู่พยายามส่องไฟทางด้านหลังที่เดินกันมาแล้วเอ๊ะพวกนั้นมีอะไร หยุดกันทำไมเชษฐถาเอ่ยขึ้นดังๆช่างักเหลียวกลับไปดูจากเสียงของเขานั่นเองทำให้อนุชาและนานอินผู้นำอยู่เบื้องหน้าพอหยุดไปด้วยเสียงพายชดร้องถามมาว่าอะไรเหรอครับพี่ใหญ่มีอะไรครับไม่รู้สิถ้ายินมันพูดอะไรอยู่กับพวกนั้นก็ไม่รู้เราตะโกนถามมันดูสิ แต่หวังว่าคงไม่ใช่มีใครถูกงู ก, กัดนะอนุชาร้องตะโกนถามไปทางด้านหลังซึ่งทนัจากหัวขบวนก็ห่างแค่ไม่เกินสิบเมตรที่พวกลูกหาบกับขยินรวมกลุ่มนิ่งกันอยู่เฮ้ย <Hey! S 1> มีอะไรเหรอขยินนายนายชดนายลงมานี่หน่อยเถอะ เจ้าอดีตนักเลงโตหลุมช่างบอกมาเสียงสันส่นๆได้ยินกันหมดทุกคนอนุชาจุก ป, ปากเบาๆอย่างหัวเสียเดินสวนทางย้อนกลับมาโดยเร็วเชษถาชยันและดารินจึงย้อนตามลงมาด้วยถึงบริเวณที่พวกนั้นหยุดกันอยู่เป็นกลุ่มในความมืดสลัวจากลำแสงไฟฉายของอนุชาสีหน้าของขยินไม่เป็นสุขนักเห็นตาขาวเหลือกอยู่ลอกแลด และมองย้อนกลับไปทางด้านหลังที่เดินผ่านกันมาแล้วซึ่งเป็นมุมหักคดเคี้ยวไม่อาจแลเห็นตลอดเส้นทางไปได้ไกลนะักเนื่องจากมีมุมบงังพอนุชาเข้ามาถึงขยินก็ยิ้มแย้บอกเสียงแผ่วต่ำว่านายหูขยินไม่ฟาดนะนายชดขยินเดินหลังได้ยินเหมือน เหมือนคนเดินตามหลังมาทุกระยะสักพักใหญ่แล้วนับตั้งแต่เราผ่านช่องพรวงแยกที่มีช่องทางตัดผ่านกันหลายสายนะไยอนุชาร้องลั่นแทบจะเอามือตบหัวกระยิงด้วยความโมโหท่านออกมาไอ้บ้าทำเสียเส้นแล้วไงอันตรายคนที่ไหนวะมันจะมาเดินตามหลังเองก็ในเมื่อเรามากันแค่นี้ แลงก็เป็นคนเดินคุ้มอยู่หลังสุดอะสีหน้าของก็ยินปั้นยากที่สุดเอามือเกาหัวบนอะไรอุบอิบงึมงำอนุชาเกรงว่าพักพวกจะฟังภาษากรเรียงไม่โปรงนักก็อธิบายให้ทุกคนฟังพระเชษฐาชายันและดารินรู้เรื่องก็มีอาการงงประหลาดใจกันไปหมดขณะนั้นทุกคนห ย, ยุดยืนนิ่งอยู่กบที่ ไม่มีใครเคลื่อนไหวเลยเห็นขยินสุดตัวลงกับพื้นถ้ำล้วหูฟังอยู่กับพื้นพักใหญ่ระหว่างนั้นทุกคนเงียบกริบมองดูอาการของมันเงียบๆ เ, เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าระบบสูดสัมผัสโดยเฉพาะถ้าได้เอาหูลงแนบฟังกับแผ่นดินแบบนี้ขยินแม่นยำต่อเสียงที่สุดแม้แต่นั้นอินก็ยังต้องยอมรับกับคุณสมบัติพิเศษของมันชนิดนี้ไม่มีใครเหมือน อึดใจเดียวขยินก็บอกมาด้วยเสียงกระซิบตอนนี้เราหยุดมันก็หยุดเดี๋ยวเด๋ยวใครอย่าเพิ่งเดินหรือถามอะไรนะให้ขยินฟังต่อไปอีกสักนิดนะ่ง น, น, นมันเริ่มเคลื่อนที่อีกแล้วคราวนี้มันถอยห่างออกไปห่างออกไปดูเหมือนจะหลบเข้าไปตามพรุงแยก อ, อ, อตอนนี้มันหยุดแล้วนาย เหลวไหลไราสาระปอดแทกไม่เป็นเรื่องเองนี่อนุชาขยี้จมูกบนอย่างหงุดหงิดเชษดถาก็จับไหลน้องชายทันทีเอ่ยเสียงแผ่วต่ำจริงจังนี่กลางเธออย่ามองผ่านนะเธออาจจะเคยร่วมเดินทางมากับขยินน้อยนะแต่พวกพี่ทุกคนรู้ในสมรรถภาพด้านสดสัมผัส ข, ของมันดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามันลงทุนนอนเอหูนแนบกระพื้นแบบนี้แล้วก็ไม่มีวันผิดนะกลางอะแล้วพี่ใหญ่ว่ามีอะไรมาเดินตามหลังเราเหรอปุธโท่ไอ้เปรดนี่นะมันเก่งได้สารพัดอย่างแต่มันกลัวผีขึ้นกระหมองประสาทมันหลอนะพี่ใหญ่พรานชดพูดด้วยเสียงคุนๆอย่างไม่เห็นด้วยแล้วก้าวออกเดินโดยเร็วย้อนหลังไปยังมุมโค้งที่บังตาอยู่พร้อมกับส่องไฟฉายกราดไปมาทั่วทั่ว ตามรูโพรงถ้าที่แยกไปหลายสาขาช่องทางบอกต่อมาว่าหินมีอะไรแมงสักตัวก็ไม่มีดาริงหย่อนกายลงนั่งข้างๆขยินเอื้อมมือไปตบไหลพยายามใช้ภาษาเกรเรียงแบบงูปลาของหล่อนแต่อดีตในบ้านลุมช้างก็พอฟังรู้เรื่องขยินจะบอกว่าอะไรนะ เจ้าได้ยินเสียงมีอะไรเดินตามหลังเจ้ามายัางงั้นเหรอนายหญิงขยินสาบานได้มันเดินตามหลังพวกเรามาจริงๆสาบานได้เชื่อหูก็ยินดินายหญิงขยินยืนยันด้วยน้ำเสียงสั่นแหบอยู่เช่นเดิมอาการเดินของมันเป็นไงขยินเป็นสัตว์ชนิดไหน สีหน้าของนายบ้านหลมช้างในอดีตซึ่งมาร่วมขบวนอยู่ด้วยในครั้งนี้พี่พักพี่พุ่นไปหมดมันเดินสองตีนทอดระยะย่องตามหลังขยินมาแต่ฝีตีนมันไม่เบานักนะในหญิงถ้าเป็นสัตว์ก็ต้องสักสองตีนตัวโ ต, โตขนาดขยินนี่แหละแต่อ้ที่ลงนอนฟังกับพื้นมันเสียงตีนคนนะ่ะ คนเหรอทั้งเชิดถาชัยันและดาริงอุทานออวมาเป็นเสียงเดียวกันมันจะเป็นไปได้ยังไงคนที่ไหนจะมาเดินตามหลังพวกเราในถน้ำนี่แล้วมันเพื่ออะไรกันนายขยินไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนที่ไหนมาเดินตามเราย่องชึบชึบตามหลังมาเรื่อยเราหยุด มันก็หยุดเราเดินมันก็เดินเพราะเราหยุดกันทั้งหมดเตรียมจะจับเสียงมันใ้แน่ๆมันก็แอบเข้าไปหลืกหินรูโพรงด้านหลังไปแล้วทุกคนมีความรู้สึกที่ไม่อาจจะกล่าวถูกมองหน้ากันเองชยันผิวปากยาวแต่ไม่เป็นเพลงเฉถากรหมดคิ้วดารินสีหน้ากางังวล ส่วนอนุชาคงไม่ยอมเชื่อสั่นหัวดิกๆอยู่เช่นนั้นปัดโธ่ไอ้ขยินเนาะทำพิษฉัละนี่ถ้าเองประสาทไม่ดีแล้วก็นนน น, น, นไปเดินอยู่ข้างหน้ากับข้านนเดี๋ยวข้าจะเรียกนันอินให้ลงมาคุมไทยว่าแล้วอนุชาก็ชูมือดีดนิ้วเรียกนานอินครูพรานให้เดินลงมาแล้วเล่าให้ฟังคร่าวๆนันอินมองหน้าขยินด้วยสายตาค้นหา แล้วตกไหลผลักให้ไปข้างหน้าไปเองน่ะไปเดินอยู่ข้างหน้าก็พรานชุดน่ะข้าจะเดินหลังเองขยินได้ยินดังนั้นก็ไม่พูดอะไรอีกจําเอาออกไปทางหน้าขบวนทันทีท่านครูเท่าก็โบกมือพยักหน้ากับทุกคนไปต่อเหอะนายทั้งหลายนายนินจะอยู่หลังให้ดูได้จะดูสิวา จะมีอะไรมันเดินตามอย่างไอคยินมันว่าอีกไหมทำเนี่หนานอินเดินเข้าออกมาตั้งแต่นหนุ่มจนแกแล้วทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหวต่อโดยเฉพาะอนุชาซึ่งไม่สนใจกับอะไรอีกเร่งฝีเท้าไปนำอยู่ด้านหน้าตามเดิมโดยมีขคยินมาคู่กับเขาแทนหนานอินทุกคนเคลื่อนไหวกันไปหมดเว้นเชธาคนเดียว ซึ่งยังยืนมองหน้านานอินอยู่จนกระทั่งคนอื่นๆห่างกันออกไปลงอินครับในายใหญ่หนานอินตอบรับปกติธรรมดาที่สุดปิดกับอาการจริงจังของเชษฐาในขณะนี้ลงอินฉันว่าขยินไม่ได้โกหกหรือหูฝาดนะ่ะไอเรื่องฟังเสียงนี่ฉันเชื่อหูขยินมานานลนะ มันแม่นยำ ม, มากมันจะต้องมีอะไรสักอย่างคอยตามเราอยู่ข้างหลังอะเดินต่อเหอะในใหญ่อะไรมันตามเดี๋ยวก็รู้เองลุงระวังตัวหน่อยนะอย่าประมาทถ้ายังไงแล้วก็ให้เสียงบอกให้พวกเรารู้ทันทีหากว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลพลานครูเท่ายิ้มเห็นเหงือก นายใหญ่ไม่ต้องห่วงนานอินรู้จักป่าเขาเหวถ้ำมาตั้งแต่เกิดจนแก่ราชสกุลอันเป็นพี่ใหญ่ของคณะตกไหลอันบอบบางแต่แข็งแกร่งแก่เบาๆแล้วพระเดินไปรวมกลุ่มกับเพื่อนและน้องสาวทิ้งแกไว้ให้อยู่เบื้องหลังทำหน้าที่แทนขยินการเดินในถ้ำเริ่มต่อไป ไม่มีอะไรกระโตกกระตากแต่ทั้งเชิดท้าชยยันและดาิีหันมองด้านหลังบ่อยๆจับสังเกตหนานอิงอยู่แทบตลอดเวลาเห็นแกนเดินเดินหยุดๆยุดเหมือนจะพยายามสังเนียกอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเมื่อรับโค้งเหลี่ยมมุมซึ่งไม่อาจมองย้อนกลับทางเดินเก่าไปได้ไกลบางขณะแกก็จะหยุดยืนนิ่งนิ่งอยู่สักพัก แล้วก็ฉายไฟดูไปทางด้านหลังเป็นระยะระยะส่วนพรานชุดกระขยินก็คงนำาลิ้วๆลไปเบื้องหน้าโดยไม่หันกลับมาเลยสังหอนอะไรบางอย่างหรือฉะนั้นก็จากความรอบคอบของเชธธิฐาทำให้เขาเดินจับหมู่ไปกับเพื่อนและน้องสาวได้พักใหญ่ก็ทอดระยะห่างผ่อนฝีเท้าลงปล่อยเชธธิฐาปล่อยให้ชายันกระดาริน ตามหลังอนุชาตนเองชะลอฝีเท้าให้กลุ่มลูกหาบทั้งห้าคู่ผ่านพน้นถ่วงเวลาคอยนันอินอยู่ด้านหลังจนกระทั่งนันอินผู้เดินอยู่ช้าๆทิ้งห่างหลังพวกลูกหาบออกไปมากเดินเข้ามาถึงแกไม่ได้หยุดแต่แตะแขนเจ้านายใหญ่ให้เดินไปด้วยกันในเงาสลัวนั้นเฉตาจ้องหน้าแกขมง็ง หล่งอินขยินหูไม่ได้ฝาดใช่ไหมเขากระซิบเบาที่สุดในใหญ่อย่าเพิ่งกระตุกกระตากอะไรไปนะนานอินยังไม่อยากให้ใครรู้ยกเว้นนายชดเป็นคนเดียวเท่านั้นจึงกว่าพวกเราจะพ้นเส้นทางในถ้านีจ้จะก่อนพรานเท่าผู้คร่มหวอดมาตลอดชีวิตของแก ซึ่งจัดเป็นมือชั้นบรมครูอาวุโสที่สุดในบรรดาพรานป่าทั้งหลายรุ่นเดียวกันนันไพรอาจารย์ของระพิงผู้ล่วงลับไปแล้วกระซิบแผ่วเช่นกันพอได้ยินสองต่อสองรับรองลุงฉันจะยังไม่บอกใครหรอกนายแพรนชดนะรอบขอบที่สุดแล้วเที่ยเคยยินคุมหลังพวกลูกหาบ ขนาดที่เรามุดทำนี่เพราะมันรับสัญญาณภัยได้ดีที่สุดให้มือดีๆไปเดินข้างหน้ากันหมดปล่อยพวกลูกหาบทิ้งท้ายไว้ให้ตามหลังตามลำพังนานอินก็วาธามันจะไม่ชบกลนเหมือนกันละนายหม่ความพ่าไงลุงอินใช่แล้วในายใหญ่มีอะไรสักอย่างนึง่เดินด้วยสองปีน จ้องตามหลังขบวนพวกเรามาจริงๆอย่างมีเละกลลึกหลับพลิกลึ ก, ลกมีเลขอุบายยิ่งกว่าเสือซะอีกเพราะมันเว้นระยะตาตาห่างๆและจะไม่ยอมให้อยู่ในแนวทางที่เราจะฉายไฟย้อนหลังไปเห็นด้วยแต่ถ้าเราหยุดสังเกตมันก็จะหยุดตามถ้าถอยหลังไปคอยดักดูมันก็เบี่ยงหลบ เขาซอบโปรงที่มีอยู่หลายครั้งแล้วแต่มันก็ฉลาดมากไม่ยอมโผล่เห็นเลยแม้แต่เงามันซ่อนตัวของมันได้แต่มันซ่อนเสียงฝีเตนั้นไม่ได้แม้พยายามให้เบาที่สุดก็ตามเชื่อ้าลืมตาโผลงอืงไปครู่เขาจะหยุดแต่นั้นอิงจับแขนให้เดินช้าๆคู่ไปกระแกะ่กตามเดิมกระซิบต่อมาว่า จะจุดนายเราเดินเรื่อยๆไปตามธรรมดาอย่างนี้แหละห น, นายนันนี่แน่ใจว่ามันยังไม่เข้าใกล้ชิดเรานักหรอกเอแปลกนะลุงอินมันเป็นอะไรกันแน่เพาะจะบอกได้ไหมนั้นอินสันส่นศีรษะช้าช้านันอินก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันแหละหนายว่ามันเป็นอะไร แ่สังเกตุการสะกดตามาทางด้านหลังของเรามันฉลาดกว่าสัตว์มากคนเหรอใครจะบอกได้นายนอกจากมองเห็นสกักก่อนแต่ลักษณะการเดินของมันน่าจะเป็นคนแล้วจะมีคนที่ไหนในถ้ำ น, นี้นับตั้งแต่เราผ่านทางเข้ามา รว่าจะเป็นคนป่าเผาได้เผาหนึงพยายามตามหลังเราเข้ามาเราค็น่าจะมองเห็นแล้วนี่ตั้งแต่เดินเข้ามาในป่าแดงนี่ก็เห็นอยู่ว่ามีแต่พวกเราเล้วนสัตว์เล็กๆสักตัวก็ยังมองไม่เห็นก็นั่นสินายใหญ่มันถึเป็นเรื่องหนาคิดนานินก็กำลังคิดอยู่ขนาดนี้นายใหญ่ไปรวมกลุ่มกับพักพวกสเสถอะไปนั้นินคนเดียวดีกว่า รับรองว่าเกิดอะไรขึ้นจะยังไม่ทันถึงตัวพวกเจ้านายรือลูกหาปปนานอินดัดหน้ามันไว้เองเชิดถาจับต้นแขนของนานอินบีบแน่นสองคนดีกว่าคนเดียวนะลุงอินตอนนี้จะทำยังไงถึงให้นายชดกับนานอินรู้เรื่องได้ละ่ะยัไม่จำเป็นด้วยนายชดรู้ตอนนี้หรอกเราเดินกันไปเรื่อยๆอย่างงี้แหละนาย เราจะทอดระยะห่างจากพวกนั้นเดินดักมันไว้แต่มันก็รู้เหลือเกินนายเราหยุดครั้งไหนมันก็หยุดตามทุกทีไม่ยอมเดินเผ่าพ้นมุมออกมาให้เห็นเลยพี่ชายใหญ่ของคณะเริ่มอึดอัดใจครั้งแรกได้รับทราบข่าวขยินเขาก็ยังอยู่ในเกณฑ์เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอาจเป็นไปได้ที่ความตาเหกในเรื่องพูดผีปีศาจ ทำให้ขยินหูฟันเฟือนไปแต่พอหนันอินมารับหน้าที่เดินหลังคอยจับสังเกตและบอกข้อความตรงกันอีกเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรคลางแคลงใจอีกแล้วสำหรับเขาในหลวงก็เคยอาศัยเส้นทางในถ้ำนี้เดินผ่านเข้าออกมาเสมอแล้วเคยพบอะไรผิดปกติอย่างนี้มั่งหรือป่ะหนันอินเคี้ยวหมากหยับหยับอยู่ในปากสังเกตท่าทีแกประหลาดใจอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน แต่ก็ไม่วิตกกังวลอะไรมากนะักไงความจริงในร้ำนี่ก็เป็นท้ำที่ไม่ลี้ลับอะไรนะักถ้ารู้จักระวังงูใกลๆก็เดินผ่านเข้าออกสบายๆ ส, ส, สำหรับตัดทางลัดไปป่งน้ำร้อนแกบอกเนิบๆ น, นานอินใช้ทางนี้เหมือนเส้นทางด่านธรรมดามานานแสนนานแต่คราวนี้มันมีอะไรแปลก แปลกไปดันมนมีอะไรก็ไม่รู้ย่องตามพวกเราอยู่ข้างหลังเท่าที่ฟังจากเสียงน่ะมันตัวเดียวหรือกี่ตัวแทนคำตอบนั้นอินยกนิ้วขึ้นนิ้วหนึ่งให้เชิาเห็นเจ้าทำรหรือเปล่าลุงเชิถาพยายามถามไม่เข้ากับบรรยากาศความเชื่อถือของพรานชรา แต่กสั่นหัวนถ้าเป็นเจ้าท่าจะไม่เดินตามหลังเราให้เสียเวลาเราเคลื่อนไหวทาอะไรในถ้ำผู้มีเทพอันเป็นเจ้าท่าจะต้องรู้เห็นหมดไม่ใช่มหมย่องตามหลังอยู่อย่างนี้หรอกอีกจยางนึง่งก่อนที่จะเข้ามาในนี้นานอินก็ขอทางเบิกถ้ำไว้ก่อนแล้วที่เดินตามเราอยู่นี่ ไม่เกี่ยวกับเจ้าธรรมเจ้าเขาหรอกแต่มันเป็นอะไรนานอินก็บอกไม่ถูกจริงๆอาการเคลื่อนไหวน่ะเหมือนคนแต่ถ้าคนต่อให้เป็นคนที่ประสงค์ร้ายต่อเราขนาดไหนมันก็ไม่มีอาการลึกลับได้เหมือนผีอย่างนี้แต่นายใหญ่ไม่ต้องห่วงหรอกตราบใดที่นันอินยังระวังหลังให้อย่างนี้มันจะยังไม่โผล่มาหรอก นอกจากคอยตามอยูเรือร่อยๆเท่านั้นอาจคอยเล่นงานพวกลูกหาบหรือคนเดินหลังสุดที่มันเห็นว่าทันได้สะดวกหรือไมิเช่นนั้นก็ตามดูเฉยๆโชคดีมากนะที่ขยินมันรู้ตัวซะก่อนไม่งั้นป่านนี้หันกลับมาเราอาจจะมองไม่เห็นขยินใช่แล้วก็ได้มันอาจจะหายไปซะเฉยๆโดยไม่รู้ตนสายปลายเหตุ ราชสกุลหนุ่มใหญ่กัดริมฝีปากแน่นมองไปด้านหน้าเห็นพรรคพวกคงเดินห่างกันออกไปเป็นปกติแล้วบอกกะนานอินว่าลุกถ้างั้นเราเดินย้อนเส้นทางกันไหมลองตามมันดูบ้างเอาแค่ระยะสั้นๆก็ได้ฉันแน่ใจว่าพื้นที่เราเดินกันมาไม่ใช่จะเป็นหินแข็งตลอดบางตอนก็เป็นดินร่วนซุย เราอาจจะเห็นรอยตีนมันมั่งก็ได้นั้นอินสันศีสัยรอยไม่เห็นด้วยพูดออมเสียงอยู่ในอาการเดิมนายใหญ่อย่าไปใส่ใจอะไรมันนักก่อนเลยเอาเป็นว่าเดินไปเรื่อยๆดีกว่าถ้าเราสองคนย้อนหลังไปดูพวกนั้นหันมาไม่เห็นเราก็จะเกิดสงสัยแล้วก็จะชงักพากันเดินย้อนทางตามเรามากันหมด จะทำไทเีเวลาไปพวกเปล่านานอินนัดประกันแตนานอินยังเดินคุมหลังอยู่างเงี้ยไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกแล้วแกก็บุยปากไปด้านหน้าที่เห็นพรรพวกเคลื่อนขบวนจับกลุ่มกันไปเป็นเงาตะคุ่มสลับกับแสงสว่างวับแวมของไฟสองทางอีกสกักเดี๋ยวเราก็จะผัูออกปากทางฝั่งถนนแล้วก่อนออกจะเป็นทางกว้าง สายตรงยาวมากแล้วดูสิว่าถ้าพวกเราทุกคนอยู่บนทางสายตรงไม่มีเหลี่ยมมุมบงนะังแล้วมันจะกล้าเดินตามหลังอีกไหมครูพานผู้เท่ารอบค้อบพอใช้ทีเดียวและเป็นหลักประกันที่อุ่นใจได้พอควรสำหรับคณะเมื่อแกทวงมาเช่นนั้นเชษฐาก็จำต้องรับฟังแปดสิบแปด ระหว่างที่เดินเคียงกันไปเงียบๆช้าๆเหมือนจะหน่วงเวลาเพื่อคอยสดับเสียงนั้นเทถาใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านไป็ันที่แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงหรือแ ว, ว่ววี่แววอะไรของสิ่งที่ตามมาเลยดังเช่นที่ขยินและนานอินบอกไว้ทั้งสิ่งจนตัวเองก็ชักจะลังเลเหมือนกันลุงลุงฟังให้ดีสิแล้วก็บอกหน่อยว่า ตอนนี้มันยังตามหลังเรามาอีกหรือเปล่าในที่สุดเขาก็กระซิบถามขึ้นอีกเพราะอ่านความรู้สึกของนานอินไม่ออกเอาซะเลยมันยังตามเรามาในใหญ่แต่ทิ้งระยะห่างออกไปมากทีเดียวไม่กระชั้นเหมือนตอนแรกแนละ้วคล้ายๆจะรู้ว่าเราคอยดักมันอยู่เหมือนกันนี่ลุงพี่ตายดิฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ ลุงแกกว่าฉันตั้งเยอะทำไมถึงประสาทหูดีกว่าฉันมากอย่างเนี้ยนายใหญ่หูนานอินก็เหมือนหูคนแก่ทุ่ดๆไปนั่นแหละในายใหญ่บางทีเสียงธรรมดาก็ฟังไม่ได้ยินเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเสียงผิดธรรมชาติในโดงเสียงของอันตรายจากป่านานอินก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมถึงได้ยิน เอาหูฟังอย่างเดียวนะมันมฟังมันไม่ได้หรอกนายต้องเอาใจฟังด้วยก็ไม่รู้จะบอกให้นายฟังเข้าใจได้ยังไงเหมือนกับเชษฐาเข้าใจดีที่สุดในสิ่งที่นานอินพยายามจะอธิบายลาโส่งอย่างแกผู้ห่างไกลาจากภาษาพูดของชาวเมืองหนังสือไทยสักตัวก็อ่านไม่ออกพูดให้เขาฟังได้พอรู้เรื่องถึงขนาดนี้ ก็ต้องนับว่าแกเก่งที่สุดแล้วเกตนาที่แกะจะอธิบายเขาฟังก็คือไม่ได้ใช้ประสาทหูอย่างเดียวแต่ใช้ประสาทสัมผัสพิเศษอย่างที่เรียกกันว่าซิกเซนส์หรือประสาทส่วนที่6ด้วยซึ่งเรื่องชนิดนี้การเคยเดินป่ากับประพินและงแง่ทรายมาก่อนทำให้เขาสามารถรู้ได้ว่าพรานชั้นเยี่ยงจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษประเภทนี้ทุกคน เพียงแต่เจ้าตัวจะใช้อาธิบายแก่ใครที่ไม่ผ่านประสบการณ์มาเช่นเดียวกับตนฟังไม่ได้เท่านั้นอย่าว่าแต่นานอินหรือขยินเลยต่อให้ระพินเองในยุคนั้นซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพร้อมเยี่ยงพรานป่าพื้นเมืองและเยี่ยงคนที่เคยผ่านการศึกษาชั้นดีมาได้ก็ยังไม่สามารถอธิบายให้เขาหรือบุคคลอื่นกระจ่างแจ้งชัดเลย คุณสมบัติชนิดนี้จึงจัดอยู่ในพิชานขั้นพิเศษสุดแต่ความชำนาญของวิชาชีพแต่ละประเภทซึ่งไม่เหมือนกันกระสากลิ่นอะไรของมันบ้างหรือเปล่านอกจากรู้สึกจากเสียงที่มันย่องตามมาไม่มีกลิ่นอะไรผิดสังเกตหรอกนายใหญ่มีแต่กลิ่นหินในท่าน ชิดถาพยักหน้าด้วยอาการสงบมันอาจเป็นความแปลกความลี้ลับเพียงเสี้ยวส่วนน้อยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของป่าเมื่อคิดเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยพบมาแล้วเขาบอกกับตนเองเช่นนั้นทว่าก็ไม่ได้มองผ่านหรือละความสนใจไปซะเลยเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตไว้ในใจเงียบๆ เ, เท่านั้นและไม่จําเป็นจะต้องบอกเตือนอะไรแกนันอินในข้อนี้ เพราะรู้มือพรานชั้นครูอย่างนันอินดีอยู่แล้วแกคงไม่มองข้ามหรือประมาทเช่นเดียวกับเขาแน่จะยังไงก็ตามในการลงมาเดินคู่กับพรานเท่าอยู่ในขณะนี้เขาไม่ได้มีวี่แววอะไรเลยทั้งสิน้นทั้งๆ ท, ที่เคยภูมิใจสนักหนาว่ามือขนาดพ่านเทืกพระศิวะมาแล้วอย่างตนย่อมเทียบชั้นเหนือกว่าพรานอาชีพในระดับทั่วๆไปมากนะัก ประสาทหูก็ไม่ได้เล็วไปกว่าคนอื่นซ้ำยังคอยเงียสะดับรับฟังจับเสียงอยู่เช่นนี้จะยังไม่อาจสัมผัสเสียงใดได้เลยนอกจากเสียงเคลื่อนไหวไปเป็นขบวนของพรรคพวกเบื้องหน้าเท่านั้นชั่วไม่นานต่อมาเมื่อล่วงหน้าเข้าปลายชั่วโมงที่สองนับตั้งแต่มุดถ้ำกันมา เส้นทางก็เป็นจริงอย่างที่นันอินบอกเข้าไว้เมื่อตะกี้คือขยายใหญ่กว้างขวางขึ้นเพดานด้านบนสูงขึ้นไปอากาศโปรง่งมีลมพัดสวนมาจากเบื้องหน้าและมองเห็นแสงสว่างปรากฏอยู่ห่างออกไปไม่เกินรอยเมร็รเส้นทางนำสู่ปากทางออกนี้เป็นเส้นตรงยาวเหยียดมองหน้ามองหลังไปไดในระยะไกล เห e? no. no. ็นไหมนายพอเราเข้าเส้นตรงปากทางออกมันก็หยุดตามแล้วครูพรานสกิดบอกครับทั้งขบวนโผล่กันออกมาตีนเชิงเขาขนาดย่อมๆลูกหนึ่งอันเป็นทิวของเทือกเขาที่มองเห็นยอดสูงๆต่ำๆราวกับกำแพงแบ่งขั้นอาาเขตขณะนั้นเวลาส6หนาฬิกาเศษเท่านั้น ลักษณะของป่าโปร่งและป่าหินรอบด้านอันปราศจากความทึบและฝั่งที่โผล่มาเป็นซีกตะวันตกเฉียงเหนือจึงยังมองเห็นแสงแดดสายันอารามเจิดจ้าอีกนานพอสมควรทีเดียวกว่าจะหมดแสงทุกคนออกมาสูดลมหายใจอากาศบริสุทธิ์และพักรอคอยนันอินเชษตาผู้ตามอยู่เบื้องหลัง ซึ่งก็เว้นระยะรอกันเพียงแค่ไม่เกิน 3-4 สนาทีเท่านั้นอนุชาผู้ทำหน้าที่เป็นมักคุเทศนำทางคงไม่แสดงอาการสนใจอะไรกับการเดินตัดถ้ำลอดใต้เขาที่ผ่านออกมาแล้วหยกๆยกอยู่เช่นนั้นยินพิงก้อนหินสุบุรีเป็นตัวแรกในอาการพักขาตามองต่ำเพื่อสำรวจต่อไปด้านล่าง ขยินก็ไม่พูดอะไรเหมือนกันตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้มาเดินนําหน้าคู่กับพรานชดดูมันจะโปร่งโล่งใจขึ้นมากและลืมเรื่องที่มีอะไรตามหลังที่มันสัมเนียบเป็นคนแรกสมุมดสิ้นตามประษาคนไม่คิดอะไรไกลอย่างมันคงมีก็แต่ชา ย, ยันและดารินเท่านั้นที่ภายหลังเมื่อออกมานั่งพักรอพี่ชายขระนันอินอยู่นอกปากทางแล้วพอทั้งสองโผลอกมาสมทบ ต่างก็มองมาเป็นตาเดียวเหมือนจะซักถามอะไรซึ่งเชษฐาก็เข้าใจดีพี่ชายใหญ่ของคณะวางสีหน้าปกติมองสำรวจภูมิประเทศที่โผล่กันออกมาอย่างคนละเอียดขณะนั้นเสียงพรานชุดน้องชายก็ร้องออกมาจากจุดที่เขายืนอยู่ว่าเดินลงไปอีกไม่เกิน20สินาทีเราจะวางแคมป์ได้แล้วล่ะครับเราเข้าถึงโป่งน้ำร้อนเร็วกว่าที่กะไว้สิ จะเดินต่อกันเดี๋ยวนี้เลยหรือว่าจะพักขากันก่อนเดินต่อเลยเธอขยินนำพวกนั้นลงไปก่อนได้และตัวเธอนํามันนี่เดี๋ยวเาร้องตอบอกไปเรียบเรียบอนุชาหันไปสั่งความอะไรกับขยินอึใจเดียวเจ้ากระเรียงใหญ่แห่งลมช้างก็ต้อนพวกลูกหาปตายเนินอนุดมไปด้วยโคถิ่นเหล่านั้นลงไปสู่ไหลเขาทางด้านที่มองเห็นอยู่ตัวเขาเอง เดินคอนไรเฟินซึ่งจัดการแลกคืนกับพวกพรานลูกหาบเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่โผล่ออกนอกถ้ำเดินตรงเข้ามาหาพี่น้องและเพื่อนที่จับกลุ่มคอยกันอยู่ต้แนแ่งนั้นจึงมีเพียงเชษฐาชยันดารินและหนานอินกับอนุชาที่เพิ่งจะเข้ามาสมทบมีอะไรหละครับพี่ใ่ พอถึงก็ถามง่ายๆอย่างคนลวกๆหยาบๆไม่อีนางขังขอบถีทั่วอะไรนักตามนิสัยเข้าใจว่านันอินคงจะมีอะไรที่จะบอกเธอถ้าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่เธอควรรู้แต่ถ้าเขาเห็นว่ามันไม่สำคัญก็แล้วไปคำพูดเป็นในๆแต่เรียบราบของพี่ชายใหญ่ทาให้อนุชาหันขวับไปทางพรานคู่ใจทันทีเท่าๆกับที่ชา ย, ยันกับดาริน ผู้สังเกตรอคอยเหมือนอยากจะถามอยู่ก่อนแล้วก็ลุกขึ้นจากก้อนหินที่นั่งพักรออยู่ทันทีราวกันนักกันไว้นั้นอินอึนอนอ ก, อกอักอยู่ครู่หนึ่งรอบจำเลืองไปทางชายันกดารินแต่อนุชาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกอินขณะนี้เราก็อยู่ในกลุ่มของพวกเราโดยเฉพาะเท่านั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้เท่าเท่ากันไม่มีอะไรจะต้องปิดบงัง ถ้าฉันทายไม่ผิดอนุชาวเว้นระยะนิดหนึ่งมองหน้าพี่ชายใหญ่ปากก็บอกเสียงต่ำๆ ต, ต, ต่อมาว่าหูขยินไม่ฝาดใช่ไหมตอนที่โวยวายบอกเรากลางท่านนะ่ะพี่นึกว่าเธอจะมองข้างไม่เลือกสนใจเรื่องนี้ไปซะแล้วอีกเชษถาพูดเบาๆ เ, เ, เมื่อได้ยินประโยคหลังของน้องชาย ดิดชดประชากรหัวเราะอย่างคนไม่ยีระกับอะไรทั้งสิ้น <S <S <ess> <S พี่ใหญ่น้อยฤชยันอาจจะรู้จักผมน้อยมากครับโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งขณะอยู่ในป่าผมอาจจะดูเป็นค น, นง่ายๆยาบลวกและบางทีก็ดูเหมือนคนประมาทไร้เดียงสาผมยอมรับครับว่าผมก็เป็นคนเช่นนั้นจริงๆสมัยก่อน ถ้าผมมัวแต่คอยติดคอยคิดคอยหวาดอะไรอยู่ผมก็ไม่กล้าพระหนีออกมาจากสกุลวราริสจนตายเป็นคนสาบสูญให้พี่น้องและเพื่อนต้องออกตามหาหรอกแล้วในป่าแล้วหากผมคอยสะดุ้งหวาดอะไรอยู่กระสา่ากินตายซะตั้งแต่ตอนนั้นแลยละ่ะอย่านึกนะครับว่าผมจะมองข้างแม้แต่มดสักตัวเพียงแต่จะแสดงออกมาหรือไม่เท่านั้นแหละ คนที่รู้จักผมดีที่สุดนะไม่ใช่พี่น้องหรือเพื่อนหรอกแต่เป็นคนคนนี้ไงหนานอินเขาตกไปบนไหล่ของเพื่อนชาราคู่ชีพหนักแรงแล้วถามอย่างไม่มีพิธีรีตองว่ามีอะไรตามหลังเราอะ่ะลุกไม่รู้สินายชดุดแต่มันตามหลังเรามาจริงๆเพิ่งจะมาเลิกตามก็ตรงทางสายตรง ที่จะโผล่ปากทางถ้ำฝัง่งนี้แหละครูพานบอกมาด้วยอาการเรียบเรียบปกติของแกเช่นกันชายันกระดารินก็ตื่นตัวทันทีจ้องหน้าบุคคลเหล่านั้นขมิงโดยยังไม่ปรีปากคำใดก่อนทั้งสินรู้สึกว่าพี่ใหญ่จะลงไปเดินหลังคู่กับลุงอินไม่ใช่แล้วครับใช่ก็เดินหลังคู่กับแกมาตลอดนั่นแหละ ตแต่เห็นอาการผิดปกติของแกแล้วละ่ะแล้วพี่ใหญ่รู้สึกเหมือนอย่างที่ลุงอินบอกนี่หรือเปล่าเธอก็รู้หนี่กลางมือขนาดพี่จะไปทันอะไรกับประสาทของลุงอินหรือขยินในขณะเดินป่านะ่ะพี่จับอะไรไม่ได้เลยแต่ลุงอินยืนยันว่ามีอะไรเดินตามหลังเรามาจริงๆแล้วก็เกือบตลอดเส้นทางจนกระทั่งจวนโผล่พ้นปากถ้ำนี่แหละ พี่ชวนกระเดินย้อนหลังเพื่อจะตรวจดูร่องรอยแต่แกห้ามไว้บอกว่าไม่จำเป็นเราจึงเพียงแค่เดินฟังเสียงแล้วก็ระวังมันอยู่เท่านั้นเห็นว่าพวกเราทุกคนควรจะต้องรับรู้กันไว้ด้วยก็เลยตัดสินใจบอกชายันมองหน้าดารินกระซิบนี่หวังว่าคงไม่ใช่รับพินดูอินยางของคนนะดารินใจคอไม่สู้ปกตินัก แต่ก็ฝืนยิ้มแค่นแค้นอิตบากรับพินน่ะคือมิตรของเราทุกคนไม่ว่าจะร่างกายที่ประกอบด้วยเลือด เ, เ, เนื้อวิญญาณหรือแม้จะเหลือเฉพาะวิญญาณอย่างเดียวก็ตามฉะนั้นเขาจะต้องไม่ทำอะไรให้มีเลสไนสอบไปในทางไม่สู้จะดีนะักสำหรับคณะเราแบบนี้หรอกแล้วท่านั้นมันคืออะไร คนที่จะบอกได้ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือหลุงอินดารินและชยันกระซิบกระซาบกันอยู่เช่นนั้นนั้นอินอธิบายให้พรานชดทราบถึงลักษณะสภาพการเดินตามเท่าที่แกสังเกเสียงได้ตลอดจนาการอันซ่อนเร้นลีลับระยะที่จับได้แน่ชัดที่สุดมักจะเป็นบริเวณที่หักเลี้ยวมุมข้อศอก ของทางเดินในถ้าและมีช่องทางพรงแยกสองฝั่งอันจะเป็นที่แฝงตัวซ่อนเร้นได้อาการเห ย, ยียบย่ำมาตามพื้นไม่เบาหนักเสียงดังตึกตึกแสดงถึงน้ำหนักค่อนข้างมากจะเรียกว่าย่องก็ไม่เชิงเพราะไม่รู้จักการใช้ปลายเท้าแต่จะรวดเร็วฉับไวมากหากเดินย้อนกลับแล้วใช้ไฟดู เราสามารถหลบไม่เห็นตัวได้อย่างฉับพลันทันทีตลอดจนคะแนนระยะถูกด้วยว่าควรจะตามมาในระยะทีห่างโดยภูมิประเทศลักษณะไหนจึงจะไม่สามารถมองย้อนหลังไปเห็นตัวได้สรุปก็คือไม่เห็นตัวเลยได้ยินแต่เสียงใช่ไหมใช่ในชดุดไม่บอกให้รู้เสียแต่แรกนี่ จะได้ย้อนกลับไปดูอย่างน้อยเสียงเดินหนักๆของมันก็ควรจะต้องปรากฏร่องรอยเท้าอะไรมั่งตรงบริเวณที่เป็นดินอ่อนในถ้ำเรื่องลูกหาบนะไม่ต้องกลัวเสียเวลาหรอกเพราะขยินพาเดินล่วงหน้าออกมาคอยทางนี้ก่อนก็ได้อนุชา ว, ว่าพลางหลีตามองย้อนกลับเข้าไปในเวิร์ของโพรงถ้ำ พี่วั น, นอินแนะนำพี่ไว้ก่อนถูกต้องเลวนะคือยังไม่ให้กระตกกระตากอะไรออกไปจนกว่าเราจะพ้นถ้ำออกมาแล้วสมมุติว่าฝ่ายเราทั้งหมดย้อนทางตรวจหารอยมันทางด้านหลังโดยปล่อยให้ขยินนาพวกลูกหาบเดินไปข้างหน้าตามลพาพังและจะมีอะไรรับประกันได้ละ่ะว่ามันจะไม่ไปดักคอยขยินกับพวกนั้นอยู่ข้างหน้าซึ่งจะแก้ไขเหตุการณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้น เธอเดินหน้ามาพร้อมกับขยินส่วนพี่คุมหลังอยู่กับลุงอินนะก็ถูกต้องแล้วอนุชาเอามือเกาท้ายถอยและมองไปทางหนานอินผู้สงบลุงเราสองคนนะ่ะเคยเดินผ่านเข้าออกในท่ำนี่มันก็หลายครั้งแล้วนะลุงสมัยก่อนก็ไม่เห็นมีอะไรสักอย่างนอกจากงูเขาพูดเปรยๆเหมือนจะบ่นกับตัวเอง พอเงินฉันก็ไม่ได้เดินหลังเสีด้วยไอ้จะสอบถามทางในายใหญ่เขาก็ไม่ได้ยินเหมือนที่ลุงอินได้ยินเพราะฉะนั้นลุงนั่นแหละต้องบอกให้แน่ๆสัตว์ชนิดไหนหรือคนแล้วจะเป็นไปได้ไหมเป็นต้นว่าลิงใหญ่หรือว่าหมีควายครูพรานมีสีหน้ายุ่งยากใจต่อคําถามเพื่อที่จะให้แกสรุป ในคำตอบที่แน่นอนนั้นมันไม่ใช่สัตว์ทุกชนิดนะายชดแล้วก็ไม่ใช่คนด้วยแม้จะเดินเหมือนคนเพราะถ้าคนน่ะธรรมดาจะต้องรู้จักยอ่องนี่คืออย่างที่บอกแล้วว่เวลามันเดินมันจะเดินเสียงดังตึกตึกเหมือนตุ๊ ก, กตาไขาลานแต่ก็ฉลาดมาก แล้วกระทันเราทุกอย่างเหมือนจะอ่านใจออกเราหยุดฟังมันก็หยุดเดินเราย้อนรอยมันก็ถอยหลบเราเดินต่อมันก็เดินตามพอจะรอจะให้มันเดินทันมันก็เว้นช่วงห่างออกไปอีกนั้นอินพูดห้วนหวน้วนสั้นๆแต่ก็ฟังแล้วทุกคนเข้าใจ สภาพที่แกจับรหัสนั้นได้อย่างดีที่สุดเอาว่าผีหลอกในระหว่างเราอยู่ในถ้าแล้วกันแล้วก็เจตนาจะหลอกเฉพาะคนที่เดินหลังอนุชาสรุปให้ง่ายๆแต่ประกายบางสิ่งบางอย่างในแววตาของเขาที่มองเข้าไปในถ้าไม่ได้มีความหมายเพียงง่ายๆแค่ประโยคที่พูดนั้นเขาเอ่ยต่อมาว่า ตอนนี้เราก็ออกมาพ้นถ้ำแล้วนี่ทุกคนเรียบร้อยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาไว้พักเรื่องนี้ไว้เป็นการบ้านก่อนเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดเฉพาะขณะที่เราอยู่ในถ้ำก็ลืมมันซะแต่ถ้ายัางมีอะไรลักษณะคล้ายๆกันอีกในหนทางข้างหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ทุกคนเคยผ่านปาอาถรรพ์ลึกลับแถบนี้มาม า, มากกว่านี้เพราะฉะนั้นในเรื่องแค่นี้ อย่าเก็บประกังวนนห้มันเสีย ห, หัวคิดเลยพี่กลางคะอย่าประมาทมองข้ามนะคะดำเงียบอยู่นานแล้วเ อ, อ่ยขึ้นมาบ้างก็ไม่ได้ประมาทหรือมองข้ามซะหรอกท่าน้อยไม่เชื่อมือพี่ก็เชื่อเชื่อมือหนานอินได้ลงว่าถ้ามีลุงอินร่วมมาด้วยแบบนี้ทุกคนสบายใจเส้อ เราอาจจะเสียเวลาค้นหาที่พักแรมของระพินที่ป่งน้ำร้อนอีกสักนิดหน่อยและนั่นก็เป็นปัญหาสำคัญถ้าค้นไม่พบมันจะทำให้เราไม่แน่ใจว่าเราคำนวณทิศทางการเดินทางของเขาถูกหรือเปล่าไม่กล่าวอะไรมาอีกอดิอพรานชดกอดคอหนานอินเดินลงเนินปากท่ำตามหลังพวกลูกหาบที่เห็นห่างลงไปทันทีโดยไม่ได้สนใจกับพวกที่ยืนอยู่ข้างหลังอีก เทถาจิงสกิดแขนน้องสาวกัะชยันให้ออกเดินตามบอกอย่างเมียโรงขันว่าไปตามพรานใหญ่เข้าไปเถอะเราต้องยอมรับว่าขนาดนี้นะเราฝากทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาแต่ให้ตายเถอะฉันอยากจะเปลี่ยนชื่อในกลางสม่จริงๆอะให้มันดูเหมาะสมกับมากของเขาตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไร ก็เปลี่ยนเป็นรพิน์ไทรวินยังไงล่ะนี่แหละร้านใหญ่คนที่สองไม่ได้เดอยไปกว่ารพิน์ไทรวันเนอะเขาพยายามจะทำได้เหมือนแต่ดูให้ตายยังไงก็ห่างไกลกันลิบทิ้งไม่น้อยดารินมองตามหลังพี่ชายกลางไปอย่างขมิขมิญ น, นิดนิดหล่นอนมีความรู้สึกคล้ายๆาชยันเช่นกันใช่ ทางของพี่กลางเขาเท่ไม่ย่อยไม่ย่อยหรอกแต่ถ้าเขามีอะไรเหมือนระพินมั่งไม่ต้องมากหรอกเอาแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นก็คงไม่ไปติดแงะอยู่ในคุกของมรกรนครจนระพินกับพวกเราต้องไปตามลากตัวกลับออกมาหรอกนี่นีสองคนนี่รวมหัวกันได้ดีแล้วเหรอเนี่ยพี่ชายใหญ่ทําเสียงดุมาเบาๆจะไปนินทาอะไรพี่เขา ถ้าไม่ได้กลางเราไม่มีทางจะออกเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยความมั่นใจขนาดนี้นะน้องสาวคนเล็กเงียบสังเกตเห็นได้ชัดจากสายตาของพี่ชายใหญ่ว่าการออกเดินทางมาในครั้งนี้ดารินผิดไปกับดารินคนก่อนชนิดคนละคนไม่ช่างพูดตอแยไม่ปากมากตรงข้ามกลับมักเงียบขึมและมักกล้าชนิด บ้าดีเดือดเกินคาดลงมาถึงเส้นทางบนไหล่เขาอันเป็นทางโล่งกว้างใหญ่เรากับใครมาตัดเป็นทางสำรองไว้อนุชาซึ่งหยุดรอคอยอยู่ก่อนแล้วก็ชี้มือไปอยังเส้นทางด้านซ้ายซึ่งเป็นด้านตรงข้ามกับที่พวกลูกหาบและขยินกำลังเดินกันลงไปเห็นหลังไวัย ระพินกับพวกนั้นจะต้องเดินลงมาตามเส้นทางนี้แหละภายหลังจากผ่านบริเวณเส้นทางอันตรายบนไหล่เขาสูงที่ผมบอกไปแล้วทุกคนมองตามการชี้บอกของเขาจากจุดอันตรายที่ถือว่านี่กับที่เราลงมายืนอยู่นี่นะถ้าจะเดินสวนย้อนขึ้นไปห่างกันสักเท่าไหร่ผมว่ามีเกินสามกิโลกันมั้เส้นทางกะยากครับ แต่ถ้าเดินก็กินเวลาระหว่างครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีถ้าอยากจะเดินย้อนขึ้นไปดูบนบริเวณนั้นกับผมก็ได้นะจะได้เห็นกับตาว่ามันเป็นทางมินเมขนาดไหนตอนนี้เวลาเรายังมีเหลือเฟือปล่อยให้ขยินกับพวกนั้นไปตั้งแคมป์คอยเราก่อนก็ได้เชิดถาบกมือสีเวลาไม่มีประโยชน์หลมจุดที่พักแล้วค้นหาตำแหน่งที่เขามาหยุดพักแรงกันถ ทั้งคณะภ้าคนที่เพิ่งจะลงมาถึงถนนลาดลุงเขานั้นเดินตามพวกลูกหาบที่ล่วงหน้าไปก่อนเพียงแค่สินาทีหลังจากนั้นก็ถึงพื้นที่ราบในระหว่างป่าหินขญิงที่ล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็ตะโกนโบกเวกโบกมือเรียกอยู่ย่อยๆบอกให้ทราบว่าพบตำแหน่งที่พักแรมและบริเวณก่อกองไฟแรมคืนตลอดจนหงหาของพวกกระพินแล้วซึ่งแม่นยําที่สุด ตามการคาดหมายของอนุชาทุกอย่างทุกคนเร่งฝีเท้าให้ทันทันทีที่ได้รับการตะโกลบอกเช่นนั้นพวกลูกหาบปลงของและพักกันอยู่ตำแหน่งนั้นแล้วทันทีที่ฝ่ายของเชืามาถึงก็มองเห็นหลักฐานกองไฟที่ก่อไว้ขนาดใหญ่ในชัยภูมิเหมาะอันแวดล้อมไปด้วยหนอหินตลอดจนหลักฐานร่องรอยการพักแรม ชนิดไม่มีอะไรจะต้องเคลือบแคลงสงสัยดารินสีหน้าดีขึ้นเล็กน้อยหลนจ้องที่ซากกองไฟและบริเวณอันเป็นที่พักนอนตลอดจนภูมิประเทศแวดล้อมส่วนชา ย, ยันยิ้มคลายตกไหลอนุชาแม่แม่มนยำ ม, มากกลางนายนะเข้าเป้าหมายได้ตรงเป๊ะเลยพรานชดไม่ใส่ใจกับอาการชมเชยของเพื่อนบอกมาแต่เพียงว่า อ ก, การจาตามรอยกันไปทุกระยะนะีนมันไม่ลำบากหรอกชายันคนตั้ง2ี่สบคนยกขบวนเป็นคาราวานใหญ่บายหน้าไปทางไหนใครๆก็พอตามได้ถ้าเคยเดินป่ามาบ้างไอ้ที่ฉันหนักใจอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องการตามให้เห็นร่องรอยแต่มันอยู่ที่ว่าทํายังไงถึงจะตามให้ทันต่างหากเพราะถ้าทันได้เร็วเท่าไหร่เราก็หวังได้ตัวระพินคืนเร็วเท่านั้น ก่อนที่อะไรซึ่งเราคิดระแวงไว้มันจะสายเกินแก้และอกอย่างหนึง่งถ้าใช้วิธีแบบ ก, ก้าวสกัดมันก็อยู่ในเกมเสี่ยงมากหากทายใจเขาผิดแต่ตามรอยแบบนี้มันก็ตามกันไปเรื่อยๆอย่างนั้รับรองว่าได้พบแหล่งที่เคยหยุดพักของเขาทุกครั้งเป็นระยะๆไปทีเดียวเออนี่แหล่งน้ําหรือที่เรียกว่าปงน้ําร้อนนะ่ะมันอยู่ไหนเชตาถาม กระโดดขึ้นไปยืนบนยอดหินเตี้ยลูกหนึ่งกว่าตามองไปรอบๆเท่าที่รัศมีสายตาจะมองไปได้น่นครับหา่างจากที่นี่ไปทางโน้นอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละก็ไม่เกินห้าสิบเมตรในวงแวดล้อมของป่าหินแบบนี้แหละครับแล้วทำไมเขาถึงมาเลือกวางแคมป์ตรงนี้ล่ะครับพี่กลางทำไมไม่อยู่ให้ชิดแหล่งน้ำนั่นซะเลยดารินถาม ทุกครั้งที่เห็นร่องรอยของระพิงหล่อนมีความรู้สึกตื่นเต้นซ้อนกันขึ้นสองกรณีพร้อมกันคือทั้งดีใจเท่าๆกับใจหายที่ดีใจก็คือแม้ไม่ได้เห็นตัวเห็นแค่ร่องรอยครั้งล่าสุดก็นับว่าชื่นใจแล้วและที่ใจหายก็ด้วยความห่วงใยปริวิตตกอาทรว่าป่านนี้เขาจะอยู่ที่ไหนภาวะใดและเมื่อไหร่ จึงจะตามทันนี่เธอว่าเธอรู้จักกระพินเข้าใจในชีวิตจิตใจของเขาได้ดีที่สุดก็ต้องค้นหาคำตอบเองสิในข้อที่ว่าทาไมสุภาพบุรุษไพรของเธอคนนั้นน่ะจึงเอาพวกนายจ้างมาพักอยู่ตรงนี้แทนที่จะเข้าไปยึดอยู่ใกล้แหล่งน้ำอย่างที่เธอถามพี่ราชสกุลสาวกัดตรมฝีปากเบา พี่ชายกลางมักจะมีเรื่องรวนและลองเชิงประชดประชันหล่อนอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่อยากจะถือสาอะไรเพราะรู้นิสัยดีอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดการตัดสินใจเป็นมักคุเทศนําทางมาในครั้งนี้ย่อมเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่สาหรับหล่อนซึ่งเขาแสดงให้เห็นอยู่แล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆหล่อนก็ไม่อยากจะประทะคารมอะไรด้วยเพราะอย่างน้อยน้าใจอันดีงามของพี่ชายกลางก็มีคุณค่า เนื้อกว่ากิริยาท่าทีอันขวขวางของเขามากมายหลายเท่านะักเอาละ่ะถ้างั้นน้อยก็จะลองทายดูแต่พี่ถูกไม่ทราบนะแล้วพินะเป็นสุภาพบุรุษไพรยอย่างที่พี่ชายกลางพูดแดดดันจริงน้อยขอยืนยันในข้อนี้และบางทีก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผลข้อนี้ของเขานั่นแหละเขาจึงเอาพวกนั้นมาพักอยู่ที่นี่แทนที่จะไปอยู่ชิดแหล่งน้ําซะเลย นี่นี่นี่มันต้องมีบทขยายความไอ้บอกแค่นี้ไม่มีใครเข้าใจได้หรอกโดยเฉพาะฉันชัยยันว่าถ้าจำเป็นจริงๆแล้วนะ่ะระพินเป็นมิตรและมีมารยาทดีต่อสัตว์ป่าทุกตัวด้วยหลนบอกมาอย่างรวดเร็วฉับฉาเขาจะไม่แสดงการเห็นแก่ตัวหรือรังแกสัตว์เลยยกเว้นจิตนาจะล่าเท่านั้น บริเวณนี้พี่กลางกับลุงนินก็บอกแล้วนี่ว่าแห้งแรงมากมีแหล่งน้ําอยู่แค่แหล่งเดียวเท่านั้นพวกเขาเองต้องอาศัยแหล่งน้นํานี้จึงมุ่งหน้ามาพักที่นี่แต่พวกสัตว์ป่าละแวกนี้หรือห่างไกลออกไปก็จะต้องอาศัยแหล่งน้ําอย่างชีพเหมือนกันถ้าหากเขาเอาพวกนายจ้างไปพักอยู่ใกล้แหล่งน้ําจนชิดเฉลยพวกสัตว์มันก็จะหิวน้ําจะลงมากินน้ําก็คงไม่กล้าลงกิน เท่ากับไปกันผ้าขวางทางมันย่าพินถึงได้หยุดพักอยู่ตรงนี้เปิดโอกาสให้สัตว์ได้แอบเข้ามาอาศัยแหล่งน้ำแหล่งเดียวกันนั้นได้บ้างถูกต้องไหมลุงอินประโยคหลังหล่อนหันไปถามหนานอินซึ่งกำลังพิจารณาท่อนฟืนดุนโตโตที่ถูกพรากออกจากกันเป็นการราไฟซึ่งท่านมาก่อใหม่ก็ย่อมทาได้อย่างสบาย กางครูผู้เฒ่าเงยหน้าขึ้นหัวเราะเฉยๆตามประษาของแกนายหญิงพูดถูกแล้วนายรพินแกไม่เอาเปรียบสัตว์ป่าหรอกแล้วนั่นน่ะเป็นบารมีเป็นตบะอีกชนิดหนึ่งของแกที่ทำให้แกเป็นเจ้าป่าอยู่ได้ไม่ว่า ก, กับคนปา่าหรือสัตว์ปา่าส่วนหมอมราชวงอนุชาบอกมาสั้นๆแต่เพียงว่า เออเก่งใช้ได้แล้วก็หันมาถามพี่ชายใหญ่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะทั้งหมดว่าเอาไงครับพี่ใหญ่เราจะวางแคมป์ทับรอยตำแหน่งเดิมของระพินหรือจะเลือกหาเัยภูมิอื่นครับเดยไม่จำเป็นต้องคิดให้เสียเวลาหม่อมราชวงศ์เชษฐาอดีตท่านทูตทหารบกตอบกันทีที่ไหนก็ตาม ที่ระพินหยุดพักวางแคมป์แปลว่าตำแหน่งนั้นเหมาะควรที่สุดแล้วเราก็ควรจะพักซ้ํารอยเดิมเขานี่แหละไม่จําเป็นต้องย้ายไปที่อื่นให้เสียเวลาหรอกเมื่อเป็นคําสั่งเช่นนั้นพรนชดก็บอกกับพวกลูกหาดสั่งการทันทีแล้วชั่วไม่นานแคมป์ที่พักชั่วคราวก็ถูกวางลงตำแหน่งนั้นอย่างรวดเร็ว การก่อฟืนไฟก็แทบจะไม่ต้องไปหาเศษไม้มาเพิ่มเติมอีกมากมายนักอาศัยฟืนเก่าที่พวกของรับพินใช้ไว้ก่อนแล้วและยังคงเหลืออยู่อีกมากนำมาก่อไฟเข้ามีเศษ ฟ, ฟืนอีกหลายท่อนลักษณะเหมือนถูกใครจับถูกใครจับโยนขว่างกระเด็นกระจัดกระจายรอบด้านไปหมดซึ่งอนุชาอาธิบายให้ทุกคนทราบว่ามันเป็นการกระทาของช้างป่า ที่เดินมาพบตำแหน่งพักแรมของมนุษย์เข้าและสันดานของช้างป่าทุกตัวย่อมเป็นไปตามปกติธรรมดาของมันเช่นนี้เองคือสิ่งใดก็ตามที่ผิดแปลกไปจากสภาพของป่าดงโดยเกิดจากฝีมือมนุษย์ถ้ามันพบเข้ามันก็จะต้องจัดการหรือทำลายซะด้วยความขัดลูกในตาแต่เป็นการกระทำภายหลังจากที่คณะมนุษย์ได้เคลื่อนย้ายไปแล้วและมันเดินมาพบ ระหว่างที่ลูกหากระเตรียมที่พักซึ่งถึงแม้จะบายจัดลงมาเต็มทีแล้วแต่ก็ยังสว่างจ้าอยู่ตลอดทั้งแนวดงบริเวณ น, นั้นเทถาก็บอกว่ามีเวลาเหลือเฟือสำหรับการหยุดพักของเราวันนี้กลางพาไปดูแหล่งน้ำและสำรวจบริเวณรอบๆหน่อยสิเพื่อจะได้ร่องรอยอะไรเพิ่มเติมขึ้น ผมก็กำลังจะชวนอยู่ทีเดียวอะน้อยชยยันถ้ายังไม่เหนื่อยเกินไปนะก็มะไปด้วยกันก็ได้ใกล้ๆแค่นี้เองแล้วถ้าใครคิดจามน้ำก็เตรียมเสื้อผ้ามาด้วยแล้วกันเชษฐาชยยันและดารินหันไปรือค้นเสื้อผ้าและอุปกรณ์ในการที่จะสักสารร่างกายโดยเร็วเพราะไม่ได้อาบน้ำกันมาตั้งแต่วา น, นี้แล้ว ส่วนอนุชานไม่อีนังขังขอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อกลับเข้ามาอยู่ในป่าอีกครั้งเขาก็เหมือนกับพรานป่าพื้นเมืองอาชีพคนนั้นอินกับขยินถูกมอบหมายคุมพวกลูกหาบจัดการกับที่พักให้เรียบร้อยรวมทั้งการหุงหาเชฟถามมอบวิทยุมือถือรับส่งของตนเองไว้ให้พรานครูผู้เฒ่าไว้เครื่องหนึ่งก่อนที่จะผลักไปโดยอธิบายวิธีใช้ให้แกทราบ ือว่าถ้าจำเป็นก็จะติดต่อผู้จาสั่งความอะไรกันได้ระหว่างที่กลุ่มเจ้านายทั้งหมดออกเดินไปที่แอ่งน้ำและสั่งให้แกต ร, รวจหาเศษวัสดุในกองขยะซึ่งพวกของรพินโกยใบไม้แห้งสุมบังซ่อนไว้สั่งว่าตรวจหาตามขยะที่พวกนั้นทิ้งไว้ด้วยนะถ้าพบอะไรแปลกผิดสังเกตไปก็เตรียมเอาไว้พวกฉันดูด้วย แต่ถ้าไม่มีอะไรนอกจากเศษเครื่องกระป๋องก็กลบทิ้งไว้ตามเดิมแล้วกันพี่ชายใหญ่ของคณะรอบคอบทีทุวนเสมอการพบที่พักแรมของคณะอารพินอันล่วงหน้าไปก่อนนั้นเขาจะพิถีพิถันเป็นพิเศษในการตรวจดูตามเศษขยะที่พวกนั้นทิ้งไว้ซึ่งนอกจากการแกะรอยติดตามธรรมดาแล้วยังใช้หลักเกณฑ์ของนักสืบสวนกันอีกด้วยวัตถุใดๆก็ตาม ที่คนชุดนั้นทิ้งไว้บางทีมันจะช่วยอ่านออกได้ถึงสภาพขณะที่มาพักแรมกันอยู่ว่าได้เกิดอะไรขึ้นบ้างในลักษณะไหนซึ่งไม่ควรจะมองผ่านไปใช่แผ่นกระดาษตะกัวเสียงยาที่แกะทิ้งไว้จะบอกให้รู้ว่าเป็นยาชนิดใดกินแก้อะไรหลอดิีดยาเศษพลาสเตอร์ตลอดจนเศษเครื่องใช้อื่นๆทุกชนิด พอจะทายเหตุการณ์ได้ทั้งสิ้นการแกะรอยสั์ตลอดจนอ่านรหัสต่างๆในวิชาพรานมันก็ไม่ผิดอะไรกับการแกะรอยคนในวิชาสืบสวนเช่นกันอาศัยจากหลักฐานร่องรอยที่ทิ้งไว้และพี่น้องสามคนกับเพื่อนตายอีกหนึ่งคนรวมเป็นสี่ก็แยกจากคณะลูกหาบทั้งหมดที่กำลังช่วยกันทำงานเตรียมที่พักอยู่ บ่ายหน้าโดยการนำของอนุชาไปยังแหล่งน้ำนั้นทันทีเดินกันเพียงชั่วครู่เดียวเลาะลัดไปตามแนวของป่าหินสูงสูงต่ําๆสลับไปกับไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ซึ่งเว้นระยะกันขึ้นอยู่ห่างๆอนุชาก็นำทั้งหมดมาถึงบริเวณแอ่งน้ำที่ผุดขึ้นมาจากตาน้ำใต้พื้นหินลงไปอันมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำซัก ซึ่งชาวป่าเรียกกันว่าโป่งน้ำร้อนทั้งหมดพากันเดินสำรวจไปรอบๆแอ่งน้ำนั้นซึ่งเป็นที่แน่ใจได้ว่าไม่เกินเจแปดวันที่แล้วมานี่เองคณะของรพินได้มาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้แน่นอนอย่างไรก็ตามอันเนื่องจากบริเวณรอบด้านส่วนมากเป็นหินล้วนๆพื้นแข็งมากจึงไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ ไ, ไว้ทั้งสิ้นนอกจากขนาที่มาถึงนั้น มีรอยเท้าเล็กๆของกระจงย่ำกับพื้นเป็นจุดของน้ำตามรอยที่มันเพิ่งจะผลกออกแล่นหนีไปก่อนหน้าที่ทุกคนจะมาถึงเพียงเล็กน้อยเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดพอสมควรทีเดียวแม้ว่าจะเป็นแอ่งจำกัดไม่มีการไหลเวียนถ่ายเทและไม่กว้างใหญ่นักปราศจากมูลสัตว์หรือซากสกปรกนอกจากใบไม้แห้งที่ถูกลมปลิวพัด ให้ลงมาลอยฟ้องอยู่บ้างในบางแห่งบนผิวน้ำและที่ก้นลงไปก็เป็นซากใบไม้ที่แช่เปือ่อยู่ชั่วนาตาปีมองเห็นเป็นสีเทาๆอยู่เบื้องล่างคล้ายพื้นดินไก่ฟ้าคู่หนึ่งกำลังเดินตอกตอกตามกันลงมาจากทางด่านลาดของหมูหินฟากหนึ่งไม้จะลงมาดื่มกินน้ำ พอเห็นกลุ่ ม, มนุษย์เข้ามาเดินเกะกะกันอยู่ริมบริเวณนั้นก็บินปลอผ่านพ้นหมู่หินที่งอกเป็นทิวอยู่ทั่วไปอย่างตกใจดารินมองตามอย่างสงสารชา ย, ยันก็สะกิดแขนบอกเบาๆว่านั่นไงต้นเหตุที่รพินไม่ยอมมาตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้ตามที่ถือว่าดาริงยิ้มเศร้าๆมองตามสัตวบปีกสวยงามนั้นไปจนลับตา แล้วกระโดดข้ามตามโขดหินออกตรวจตาบริเวณไปอย่างอิสระแต่พอหล่อนจะรับเหลี่ยมโขดหินพ้นไปจากสายตาเชษฐาก็ร้องห้ามไว้โบกมือเรียกให้กลับมารวมกลุ่มหรือมิฉะนั้นก็ให้อยู่ในระยะที่สายตาของพรรคพวกจะมองเห็นซึ่งหล่อนก็ปฏิบัติตามโดยดีเพราะไม่อยากจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแหลงหน้ามันจำกัด ถ่ทไม่ได้ท่านผูทหารบอกกับ น, น้องชายผู้คุกเข่าลงวักน้ำขึ้นมาลูบหน้าแต่สังเกตดูว่ามันก็สะอาดพอที่จะใช้ดื่มกินได้ภายหลังใส่ยาฆ่าเชือ้ออทีนี้พวกเรามานี่ก็อยากจะอาบน้ำด้วยถ้าเป็นทาน้ำไหลมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแองแคบแคบแค่นี้เองสบู่ก็เหงื่อใครความสกรปรก มันจะพลอยทําให้น้ําสกรปรกไปด้วยเราไม่ควรจะทําให้แหล่งน้ํานี่สกรปรกเพราะความมักง่ายหรือเพียงแค่อยากสบายตัวนะอนุชาสังเกตดูสภาพน้ํานั้นอีกครั้งและพูดว่าครับผมก็รู้สึกว่าขณะที่เราินพาพวกนั้นมาถึงที่นี่ก็คงจะไม่ยอมให้ใครลงไปอาบน้ําถูสบู่ในแอ่งนี่เหมือนกันแต่เรื่องนี้คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ เราจะอาบน้ําก็เรียกลูกหาให้เอาถังพลาสติกมาให้แล้วเราก็จัดตักน้ําในแอ่งนี่ใส่ถังหิ้วไปอาบหลังโคถินที่มีอยู่ทั่วๆไปซึ่งก็เป็นห้องน้ําอย่างดีโดยไม่ให้น้ําไหลย้อนกลับลงมารวมอยู่ที่แอ่งนี่ให้ไหลไปสู่ที่ต่ำทั้งอื่นใช่เราก็จะรักษาความสะอาดของแหล่งน้ํานี้ไว้สําหรับสัตว์ป่าหรือชาวป่าที่จะแวะเข้ามาอาศัยได้ต่อไปครับ ดีถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ถือว่าดีมากทีเดียวเชี่าเห็นชอบด้วยอนุชาจึงใช้วิทยุประจำตัวขึ้นมาเปิดเรียกทันทีอึดใจเดียวเสียงเนื้อของนันอินก็ดังตอบมาช่วยให้ใคหยินหรือใครก็ได้ที่ตัวโตๆโตโตแข็งแรงหน่อยนะเอาถังพลาสติกขนาดใหญ่มาที่แอ่งน้ำนี่สักสองใบอ่ให้เอามอสสนามติดมาสักใบด้วยนะ หมอสนามที่อนุชาให้เอามาด้วยก็เพื่อให้ใช้แทนขันที่จะให้พักพวกตักอาบนั่นเองเสียงนั้นอินรับคำบอกว่าจะสั่งให้ขยินเป็นผู้นำสิ่งของที่ต้องการมาให้